พระธรรมเทศนาแผ่นที่เก้าสิบลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่ามาตรฐานของพระกรรมฐาน วันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดกระถินวัดต่างๆก็รู้สึกว่ า, าถวายแร้วทอดไปมากลวในกลุ่มวัดกลุ่มของพวกเรามีหลายวัดแล้วก็วัดของเราก็ผ่านมาวันที่แปด พฤธจิกายนในช่วงนี้ก็วัดของเราอยู่ในความสงบพราะ้ในพวกเราทุกองพระทุกองพระลูกหลานทุกองอยู่ในความสงบทั้งในครัวก็เหมือนกันอยู่ในความสงบให้อยู่ในที่มั่น อย่าไปทะเลถลไลอย่าไปคิดออกไปข้างนอกผู้ใดก็ตามอยู่ในพวกครูบาทั้งหลายพระให้ช่วยกันดูดูแลกันนะให้ช่วยดูแลกันใครจะไปออกนอกวัดถ้าหลวงพ่อยังอยู่ในวัดอยู่หรือว่า ถึงหงพ่อไม่อยู่กับท่านรุนที่เป็นผู้ใหญ่ต้องได้รับอนุญาตสะก่อนไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอนุมัติอนุญาตใครจะไปที่ไหนก็ไปผลที่สุดนั้นปกครองกันไม่อยู่นะวันนั้นหลวงพ่อเป็นหัวหน้ามีอะไรหลวงพ่อต้องรับผิดชอบ ได้ยินแต่หลวงปู่จามพูดท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่มีวัดกูบาจารย์พระจะลาไปที่ไหนขอลาไปผลทีสุดไปเที่ยวป่าไปเก็บมักสมอกูบาจารย์ก็ไม่รู้เพอท่านไม่ได้ลาท่านผลที่สุดไปแล้วไปเห็นลูกระเบิดเขายิงลูกระเบิดไม่แตกเอามากระจับมาแล้วออกมาค้อนเคาะเล่น พอในช่วงระเบิดก็ระเบิดขึ้นมาไม่รู้ว่าวัดพะระแช้บ้านเขาไม่รู้ว่าเห็นพระตายเนนตายไม่รู้ว่าวัดไหนกว่าจะเช็คได้พอแรงเป็นวัดของลูกศิษย์ลูกหาของกรรมฐานถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นขึ้นมาแล้วนะ่ะเขาจะตำหนิใคร เขามาฝากฝังลูกหลานไว้ไวในพระพุทธศาสนาบากฝากฝังลูกศิษย์ไปลูกหาไว้กับหลวงพ่อหลวงพ่อดูแลไม่ทั่วถึงเกิดปัญหาอย่างนั้นขึ้นมาแล้วเขาตำหนิใครเขาตำหนิหลวงพ่อตำหนิพระในวัดพระผู้ใหญ่ไม่ดูแลกันปล่อยปะละเลยเลอะ เ, ะเะทอะไม่มีกฎร ะ, ะเบียบไม่น่าจะเป็นอย่า ง, งานั้นใครจะไปที่ไหนอย่างไรต้องมีเหตุผล ถ้าหากว่าเจ็บใครได้ป่วยกระทันหันฉุกเฉินหลวงพ่อนุญาตเตยเพียงไปขูดหินปูนฝันเฉยๆแต่เป็นคารวะก็ยังไม่เคยขูดพอมาเป็นพระทำท่ากระแดกอ่าทาท่าไปขูดหินปูนเอาหาทางออกกิเลสมันหาทางออกออกได้ออกนอกวัดก็สบายนั่นแหละหลวงพ่อจะไล่นี้ออกจากวัดให้หมดทําไมอยู่จะไม่อยู่วัดจะอยู่ทําไม ออกออกกระทั่งผู้ที่อนุมัตินะใครเป็นผู้อนุมัติให้พาออกไปโดยไม่มีเหตุผลหลวงพ่อจะไล่ อ, อกองนั้นออกอีกเพราเหตุไรเรามีแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นมาแล้วหนะลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าไปหาฟืนค่อฟืนในวัดมันในวัดมันไม่มีอย่างพวกเราหาเนี่ย แต่ไปเอาได้ท้องไร่ท้องนาของเขาอยู่ข้างๆวัดนั่นไม้มันตายชาวบ้านเขาไปเอาเลยไม้มันตายพันฟืนหลวงปู่ล่าก็เลยพนขยันอยู่แล้วหลวงปู่ล่าแข็งแรงขยันอีกตัางหาท่านก็ไปชวนหมูสามสองสามองค์ไปแบกเอาฟืนมาคนและแบกกันหลวงปู่มั่นออกมาลงมาตอนใช้สายเออคือว่า ใครเข้าว่าตอนบ่ายๆก็ไม่คาดคิดว่าหลวงปู่จะลงมาฮหลงมาก็มาเห็นพระเงือแตกเหงือไหลแบกฟืนเข้ามาในวัดหลวงปู่มั่นถามจากไหนมาไปแบกฟืนเอามาใช้ครับผมได้รับอนุญาตจากใครพ่อแม่กุญจารย์ขึ้นไปพักเลยก็พวกกับผมก็เลยเป็นลาอาจารย์มหาบัว ท่านท่านรับรู้รับทาท่านอนุญาตกรับผมท่านไปข อ, อนิสัยกัอบอาจารย์มหาบัวใช่ไหมอาจารย์มหาบัวให้นิสัยของท่านใช่ไหมอาจารย์ของพวกท่านใช่ไหมท่านไม่ได้ข อ, อนิ s a i จากเราใช่ไหมหลวงปู่มันเน่แหละ เ, เราจะไล่มันออกทั้งหมดมันทําไมวะ ขนาดไปแบกฟืนเท่านั้นเองหลวงปู่มั่นยังขู่ยังดุด่าให้หลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่ายังมาบอกให้หลวงพ่อฟังหลวงตามหาบัวพ่อได้ยินเท่านั้นแ่ะเออหมอบเข้าไปเหมือนกับหมากลัวเสือลักษณะอย่างนั้นนะโอ้ยขอโอกาสพ่อแม่กุญจานรเป็นความผิดของเก้ากับผมเอง พ, อ, พอแม่กุญจาน์เข้าไปที่พักพวกพระเขาก็บอกฟืนมันหมด กับผมก็คิดว่าออกไปไม่ไกลเท่าไหร่ออยู่ข้างๆวัดเนี่ยอพราะนั้นเก้ากับผมจึงได้อนุมัติอนุญาตให้หมูพวกเพื่อนไปเอาฟืนมากรับผมเป็นความผิดของเก้ากับผมเองครับผมเออเนี่ยถ้าเราไม่พูดอมันใครจะพูดถ้าเขาไม่บอกใครจะบอกอ่ ต้องเตือนเต้องเตือนไว้ต่อไปภายภาคหน้าจะได้มีอีกหลวงปู่ท่านให้แนวความคิดสำหรับการบริหารจัดการของพระภายในวัดของท่านพวกเราฟังเอาไว้นั่นแหละคือมาตรฐานในบรรทัดฐานของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผ่านมาแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อจะพูดอะไรออกไป จะห้ามปลามผ้านเนนของหลวงพอ่อหลวงพอ่อต้องมองดูมาตรฐานคูบาจานันที่ท่านปฏิบัติกับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อก็เหมือนกันแต่หลวงพ่อจะไปที่ไหนหลวงพ่อก็ยังได้บอกว่ามีความจำเป็นไป็นกพาทภาระนะแต่บางทีหลวงพ่อก็สั่งให้พระแต่องไหนไม่จำเป็นจะไปทำไมไม่ใช่เก็บเจ็บนเล็กเล็ ก, ล ก, ล ก, ล ก, ลกน้อย เอขนาดเป็นไข้หวัดนะล้มตายังไม่ให้ไปนะอยู่วัดป่บดาบ้านตาดเป็นไข้หวัดเจ็ดวันก็หายแล้วไปทําไมหายุ่งทําไมยุ่งเหยิงวุ่นวายเดี๋ยวไล่ออกจากวัดนะ่ะเนี่ยแหละพระอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดสมัยนั้นไม่ว่าฝรัง่งไม่ว่าพระไทยอยู่ด้วยความสงบมีแต่เรื่องภาวนาภาวนาของใครของเรา นี่แหละให้พวกเราทุกองค์นะพระทุกองคนะเข้ามาศึกษาในวัดหลวงพ่อนะออถ้าไปแบบไม่มีปีมีคุยต่างคนต่างไปนะเหนหตุไหมอย่างที่ว่านะไปถูกลูกระเบิดไปเก็บสมอนะตายไม่ระบบพระวัดไหนตายเนรวัดไหนตายกว่าจะรู้ได้จะพอแรง อ, อจนมาซักไสต์เลยเลี้ยงพระในวัดของเราขาดกี่องค์ยังเหลือกี่องค์เขาประกาศออกมาแล้ว วัดของเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเรานะรุ่นพี่ต้องดูแลรุ่นน้องนะถ้ารุ่นพี่ก็ตามอนุญาตให้รุ่นน้องโดยที่ไม่มีเหตุผลหลวงพ่อจะไล่พระ อ, องค์นั้นออกอีกรุ่นพี่รุ่นนั้นออกอีกจะแสดงว่าไม่มีกฎเกณฑ์ต่อไปภายภาคหน้าก็จะไม่มีกฎเกณฑ์อีกหลวงพ่อสอนให้พระมีกฎเกณฑ์การอยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีผู้น้อยผู้ใหญ่ต้องดูแลกัน ถึงพ่อจะไม่อยู่หลวงพ่อถือว่าเป็นพ่อถึงพ่อไม่อยู่ก็พี่ชายน้องๆลงไปต้องดูต้องช่วยดูกันแล้วก็พระเวณสลาอีกเหมือนกันถ้าองค์ไหนอยู่นานแล้วก็ควรจะขยับขยายออกไปดูแลส่วนอื่นดูแลทางหลังวัดเสนาชนะปัดกวาดทางความสะอาดก็ให้องค์อื่นที่มีอายุพรรศาขยับขึ้นมาอีกดูแล ไม่ใช่ว่าจะดูแลตลอดไปไม่ใช่แต่ว่าการที่จะดูแลต่อไปเราก็ต้องมีต้องดูหน่วยก้านอีกว่ารับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนพวกท่านดูกัน ร, รู้พระทั้งสามสี่สิบห้าสิบองนะควรจะรู้ว่าองค์ไหนมีแนวโน้มลนหน่วยก้านรับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆควรจะตั้งแต่งตั้งว่านั้นไม่ได้ว่าไล่เลี่ยงตามอายุพรรษา ถ้าพรรษาขึ้นมาแล้วไม่รับผิดชอบโตโตเต๋อไม่ทันคนแล้วจะไปแต่งแต่งตั้งทำไมต่อแต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็ดูแลก็เสียหายต่อวัดว่าต่อคะณะสงฆ์ต่อหมู่พวกเพื่อนอันนี้พวกเราก็ต้องดูอีกเหมือนกันพวกที่ต้มน้ำเออเอาไอ้องค์หนึ่งเป็นหัวหน้าสององก็เป็นลูกสมุนอันนั้นไม่ว่ากัน <Overwatch> เพื่อการเรียนรู้ทุกองเ <Folks> มื่อ rework, เราเข้ามาก็ฉันน้าด้วยกัน ท่าไม่รู้จักกระทํากระทั่งต้มน้ําล้างถ้วยล้างชามเจตเตรียมถ้วยชามให้หมูได้ฉันน้ําปานะตอนบ่ายไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักดูแลก็แสดงว่ า, ามันแย่เกินไปจะแล้ว เ, เป็นขยะของวัดแล้วควรไม่ควรจะให้อยู่ในวัดนี้อีกต่างหากทุกองต้องรับผิดชอบเมื่อเราฉันเป็นเราก็ต้องรับผิดชอบในจุดนั้นๆ พะนันให้พวกพวกพระทุกองค์นะการอยู่ทีวัดของผมผมไม่ต้องการที่โลโลเล่เล่มากขี้ควายหลายขี้ช้างมันต้องมีคุณภาพอาถึงจะไม่มีคุณธรรมเป็นพระอริยะบุคคลก็เถิดแต่ต้องมีคุณภาพต้องอยู่ในธรรมวินัยต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนี่แหละกฎและเบียบของพระถ้าจะว่าไปยิ่งกว่าทหารอีกต่างหาก พอทหารไม่มีศีล2องยยี 7, ไม่มีศีลสิบอันนี้พวกเราศีล2องยยี 7, คุ้มครองกฎระเบียบของพระจะไปจะอยู่อย่างไรอยู่ในกฎระเบียบให้ตั้งอกตั้งใจแต่อยู่ถ้าหาว่าตั้งอยู่ถ้าจะอยู่ให้ตั้งใจอยู่ถ้าจะหนีให้ตั้งใจหนีถ้าอยู่เก๊เก๊กลงกเงอะเงะ ง, งมันเสียเวลาตัวเอง มันเสียเวลาหลวงพ่ออีกต่างหากหลวงพ่อสอนนสอนให้พระเนรเป็นพระที่ดีนะเป็นผู้นาสอนให้พวกพระเนนลูกหลานของหลวงพ่อเนรลูกศิษย์หลวงพ่อเนรสอนให้เป็นผู้นำไม่ได้สอนให้เป็นผู้ตามตลอดอายุพรรษามากแล้วจะตามได้ยังไงตามพระผู้บวชใหม่ได้ยังไงต้องฝึกหัดวิธีการคิดวิธีการอยู่วิธีการรับผิดชอบ ใครนั่งอยู่นั่งสถานที่ใดปัดกวาดทําความสะอาดให้เป็นตัวอย่างของพวกรุ่นน้องๆไม่ใช่อยู่แบบชังกระตายถ้าอยู่แบบชังกระตายนั่นน่ะอยู่เป็นร้อยปีอยู่ที่ไหนกเหมือนกระลิงข้างบางชนนี้อยู่วัดหลวงพ่อมันเหมือนหมูเลิงอยู่ด้วยกันมันจะเกิดประโยชน์อะไรพวกเราอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ในด้วยหลักพระธรรมพินัยมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่อยู่ในกฎระเบียบ หลวงพ่อก็อยู่ในกฎของหลวงพ่ออีกเหมือนกันเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในสถานะไหนอยู่ในสถานะไหนของครูบาอาจารย์พวกท่านทั้งหลายก็อยู่ในสถานะไหนอยู่ในฐานะสิทธิ์จะมาล้ำเส้นอาจารย์ก็ไม่ได้หลวงพ่อเองจะเป็นลัทธิล้ำเส้นลูกศิษย์ก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะอยู่ในซองของใครซองของเราอยู่ในสถานะของใครของเราให้รู้จักสถานะของตนเองในช่วงนี้เราทับรับอะไร เรารับเป็นเวนสล า, าแล้วก็ต้องทําหน้าที่เวนสล า, าให้ดีที่สุดในเมื่อเวนน้ําร้อนเราก็ทับรับหน้าที่เนเวนน้าร้อนให้ดีที่สุดในเมื่อเราไม่ได้ทําหน้าที่ในเวนท <il> ั um ้งสองเราก็ทําหน้าที่ทั่วไปร่วมปัดกวาดทําความสะอาดเว่ล่อมเวลาไหนที่ลงมือปัดกวาดลงเวลานั้นอย่าให้คนอื่นหนักใจกับเราไม่ใช่ว่าตัวเองทํำตัวๆเตะๆหล่อๆเรยแหละ แล้วก็มาอยู่กับหมู่กินแรงหมูใช้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่แนวปฏิปทาของหลว ง, งตาหลวงตามหาบวรไม่ได้นะตรงไหนหล่อแหลกหลวงตาตื่นเช้ามาหลวงตาลงมาแต่เช้าเลยเขามาแล้วก็มานั่งอยู่ศาลาดัดเส้นกางขาออกมาดัดเส้นพวกพระก็ถูศาลาถ้าองค์ไหนามาใช้าสายพอเห็นรองเท้าหลวงตาท่านนั้นน่ะ รีบเห็นเลยกลัวลงตาจะเห็นเอไม่ขึ้นมาชั้นข้าวเลยว่างั้นกลัวลงตาขนาดนั้นแหละถ้าองค์ไหนขึ้นมาตัวโตๆเต๋อหมู่ขึ้นมาถูสาลาแล้วตัวเองพึ่งโดยด้วดยด้วยมานั่นเอมาที่หลังหมู่ชี้หน้าเต็มดอยังให้เห็นอีกนะพระองค์นี่นะกินแรงหมูนั่นหนีนะนักวัดนะอย่าให้เราได้เห็นอีกนะมันมาอยู่ทําไมมาอยู่เพื่อเม็ดไม่ใช่รับการศึกษาน มันอยู่ให้หนักวัดเนะีรู้เหรอไม่รู้เหรอใหญ่ขนาดนี้แล้วมาเพื่ออะไรอันไหนควรไม่ควรอย่างไร mm hmm. เท่านั้นแหละหลงตาท่านไม่ได้เอื้อเฟื้อเอื้ออาลีกับใครทั้งหมดถ้าไม่มีใครอยู่เราจะอยู่คนเดียวถ้ามันยุ่งเหยงวุ่นวายทุกวันนี่ก็เพราะหมูมากนะนะเอนะมันหมูมากถึงทำให้เราหนักหนักอยู่เนี่นะเราและแบกภาระ ท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าเราแบกภาระาในหนักขนาดไหนแต่พวกท่านทั้งหลายไม่ป ร, ปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะจะทาจะอยู่มาทำไมมาอยู่มาอยู่ที่นี่มาเพื่อการศึกษาไม่ใช่เหรอหรือมาอยู่มาหาอยู่หากินมาหาโลภหาลิกเออหอมาอะไรถามหัวใจของท่านหน่สิพวกท่านหสิถามมาสิพวกท่านทั้งหลายมาอยู่นี่มาเพื่ออะไรไมันมีไม่มีที่ไปแล้วเหรออดยาขนาดนั้นเหรอ ไม่มีที่พึ่งพาใสยที่อื่นเลยมาอยู่ทําไมนี่แหละแนวธรรมคาสอนของหลวงตาหลวงพ่อศึกษามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะ อ, อ่อแอะเล่าแล่อ่อแอะไม่ได้ต้องพูดตามแนวแถวแถวให้ฟังแต่นานๆหลวงพ่อจะพูดให้ฟังทีหนึ่ง เ, เ, พออเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อได้ศึกษามาอย่างนี้ศึกษามาองค์จากองค์หลวงตาเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงประสิทธิ์ประสาทอาสิ่งไหนก็ตาม ที่หลวงพอ่อได้ศึกษามาอย่างไรประสบการณ์มาอย่างไรเรียนรู้มาอย่างไรหลวงพอ่อจะประสิทธิ์ประสัดให้กับพวกท่านทั้งหลายต่อไปพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใหญ่ม่ใช่จะอยู่เพียงเท่านี้จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าจะต้องดูแลพระสงฆ์หมู่พวกเพื่อนเข้ามาพึ่งพาอาศัยไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วก็เลาะเลาะเลยแหละฮากดฮาเกณฑ์ไม่ได้อย่างงั้นไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่หรือไม่ใช่ทุกสิทธออ์สายของหลวงปู่มัน หลวงปู่มั่นเคร่งในหลักธรรมวินยัยคำว่าทำวินัยอยู่จุดไหนยืนอยู่จุดนั้นอย่างน้อยเป็นผู้มีศีลไว้ก่อนศีนลอละจะเป็นเครื่องคุ้มครองพวกท่านอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขด้วยการทั้งนั้นถ้าเป็นผู้มีศีลแล้วแต่พระไม่มีศีลจะมีประโยชน์อะไรมีแต่สีสษะหัวล้นกับผ้าเหลืองเท่านั้นไม่มีศีลายจารวัดศีลสองอยี่สบเจ็ดไม่รักษา มันก็เหมือนกับคารวาสนะยิงร้ายกัคารวาสไปอีกเพราะคารวาสเขายัางทํามาหาเลี้ยงชีพเขาไม่ได้เดือดร้อนไข่ไม่ได้พึ่งพาอาศัยไข่เขาหากินด้วยลําแข้งด้วยสมองของเขาเลี้ยงเขาแต่เราเนี่ยอไปอาศัยคนอื่นแต่ตัวเองไม่มีศินมันน่าคิดนะเพราะฉะนั้นในพวกครันทั้งหลายพวกองคนะที่เป็นสิทธิ์เดียวในสิทธิท์ของหลวงพ่อนะหลงพ่อสอนนักนี้ทั้งนั้นพูดทั้งนี้ทั้งนั้น ให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะหลวงพ่อได้รับเรียนรู้มาอย่างไรหลวงพ่อจะไปสิ่อประสาทให้พวกท่านทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังอันนี้คือกฎระเบียบหลักพระธรรมวินยัยการเป็นอยู่ด้วยกันอย่าให้คนอื่นหนักใจกับเราสิ่งไหนที่มันหนักใจรู้ไหมใหญ่ขนาดนี้แล้วการทำงานทางานการรู้ไหมกิจวัตรข้อวัดรู้ไหม เวลาขมูทาเสร็จแล้วจะค่อยดมดมเร่แม่มาเวลากินในื่อกว่าเพื่อนเวลาฉันเนื่อกว่าเพื่อนเร็วกว่าเพื่อนเวลาของอะไรถึงได้ตกมาดีกว่าเพื่อนรู้จักได้เอาเปรียบหมูเพื่อนตลอดอย่างนั้นมีไหมพระในวัดของเราดูนะถ้าอ์ไหนเป็นลักษณะอย่างนั้นบอกมาถ้าพวกท่านไม่กล้าบอกเองบอกมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดการหลวงพ่อต้องการพระคุณภาพเท่านั้น พระดีมีคุณภาพพระตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักพระธรรมวินัยถ้าว่าพระไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยจะเอาไว้ทําไมอ อ, ออกหนักมันหนักไม่ใช่หนักวัดมันหนักวิกจัยของหลวงพออ่อยต่างหากหนักหมู่หนักเพื่อนอีต่างหากเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นะอันนี้คือกฎระเบียบหลักพระธรรมวินัยจากนั้นก็ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติ รักษาศีลภาวนาสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์จะเล่งความภาคเพียรองค์ที่มีอายุพัรษาภาละน้อย เ, ออเราก็อยู่ทางหลังวัดเล่งภาวนาแต่ดูดูกิจวัตรขวัดไกลๆดูกระหมูพวกเพื่อน อ, อ, องค์ไหนเป็นยังไงอันนั้นคือเป็นหูเป็นตาแทนหลวงพ่อนั่นหละคือสิทธิ์หลวงพ่อใหญ่เลี้ยงใหญ่มาแล้วรุ่นพี่แล้วต้องดูแลรุ่นน้อง เหมือนกับพี่พี่ชายก็ต้องดูแลน้องๆแทนพ่อแทนแม่แทนครอบครัวไม่ใช่ว่าพี่หากฎห า, กฎหากฎเกณฑ์ไม่ได้สิ่งไหนที่มันชั่วเสียหายเกิดพาลูกพาลน้องๆทําตัวตัวเองเก่งฉลาดไม่ได้คิดว่าหลักธรรมใดคืออะไรครอบครัวคืออะไรมันต้องดูอันไหนที่จะเสียหาย ต่อวงตระกูลของพวกเราต่อแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อวงการพุทธทำคําสอนของพระพุทธเจ้าสากยบุตรเราเป็นใครพระพุทธเจ้าว่าพวกเราท่านต่างๆเป็นสากยบุตรพุทธชินโนรสเป็นบุตรของพระพุทธเจ้ทาทั้งที่พวกเราเป็นลูกตาสีตาสาตมีตมาตาอะไรก็ไม่รู้แต่พอบวชเข้ามาอยู่ในฝ่อมเนี่ยนะ โป่งผมใส่ผ้าเหลืองอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้ารับเลยยอมรับวันอันนี้คือบุตรของเราเป็นสากยบุตรบุตรของสากยิเพราะพระพุทธเจ้าเป็นศักกิจเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านยอมรับถึงขนาดนั้นถ้าพวกเราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนะแต่พวกเราก็มาบวชก็จริงอยู่อยู่ในฟอร์มเป็นสากยะก็จริงอยู่แต่จิตใจเร็วนะี่ไปวันโลก เกเย ล, ลูกเรวมันมีอีกเหมือนกันนะทั้งที่นามสกุลดีขนาดไหนก็เถอะแต่ตัวเองประพฤติความชั่วเสียหายไม่ได้คิดถึงตระกูลของตนเองไม่ได้คิดถึงวงศ์สาคณญาติไม่ได้คิดถึงพ่อถึงแม่ไม่ได้คิดถึงตระกูลของตนเองทําไปแบบอยากจะทําเสียหายไม่ได้คิดไม่ได้ทุกไม่ได้คิดทบทวนดู พอเสียหายขึ้นมาเน่เป็นใครนามสกุลโอ้โหญาติพี่น้องาตายขายขี น, นาทั่วบ้านทั่วเมืองตามจริงนามสกุลของเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเเลยทำไมเป็นอย่างนี้เสียหายนามสกุลควรจะจั ด, จดนามสกุลออกนี่ก็เหมือนกันนะพระพที่ประพฤติตนไม่ดีเป็นพระที่ชั่วทั้งที่บวชเข้ามาแล้วยังตั้งที่จะอยู่ในหลักพระธรรมที่ไหนกินเหล้าเมาญาติสัมมเลเทเมาอะไรโตโตเตต อที่เขาลงข่าวไม่น่าจะเป็นสากกยะบุตรเสียบุตรเสียตระกูลของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นเสียงเหล่านี้นะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเออจริงไหมถูกต้องไหมฮะหลวงพ่อก็อยากจะฟังอีกเหมือนกันเพราะได้พวกท่านทั้งหลายนะที่หลวงพ่อสอนทั้งนี้ทั้งนั้นพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใหญ่จะมีอายุพรรษามากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นผู้ใหญ่ถึงจะไม่ใหญ่ก็ต้องใหญ่เพราะพรรษามาก จะต้องดูแลพวกน้องๆดูแล ว, วงพวุทธการพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อเนี่ยจะโร่งรวยไปเรื่อยๆอีกไม่นานอันที่นั่นก็เจ็ดสิบปีนะั้นลูกหลานนะ่ะเอีกไม่นานก็จะตายแล้วแต่ถึงยังไงถึงจะตายก็ยังฝากฝีไม้ลายมือหรือว่าฝากคําพูดไว้ให้พวกท่านทั้งหลายให้ศึกษาให้ได้ฟังจริงไหมายที่หลวงพ่อพูดให้พวกท่านทั้งหลายฟังเนี่ยหลวงพ่อมั่นใจจึงพูดนะ เออหงพ่อมั่นใจถูกต้องอ่อในมั่นใจเลยแล้ ว, ลวตรงพ่อจึงพูดให้แนะนําสั่งสอนพ้าลูกพ้าหลานพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราได้ยินได้ฟังนะพวกในทางในครัวก็เห ม, มือนกันผู้มาประพฤติธปฏิบัติธรรมเสียสละออกจากฆราวาสฝ่ายเยงแล้วนะถึงยังไงก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาหาทางพ้นทุกเราเชื่อมั่นในหลักธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนา ตามอัตภาพตามความเต็มสติปัญญาของพวกเราเราจะไปมุ่งหวังทางโลกโลกมันเป็นอยู่อย่างงั้นน่ะมีแต่ให้ภาวนาหาทางพ้นทุกภาวนาทำยังไงหลวงพ่อก็แนะนําสั่งสอนนะ่ะบอกกล่าวแล้วอย่างหลวงพ่อพูดเมื่อวานความชั่วอย่าทําทําแต่ความดีเมื่อทําความชั่วกำชั่วให้ผลเป็นยังไงติดคุกติดตรางนี่นะ่ะกำชั่วให้ผล กรรมดีให้ผลไปยังไงเนี่ยน่ะเชิดชูบูชาคนทั้งหลายอยากจะมารู้จักอยากจะมาคบค้าสมาคมออยากจะถือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยากจะถือเป็นหมู่เป็นเพื่อนเออยากจะมาเข้ามาใกล้เพราะอะไรเพราะเหตุใดเพราะท่านเป็นคนดีเข้าไปแล้วก็อบอุ่นเข้าไปเป็นคนดีใครก็ตามเข้าเป็นคนดีแล้วใครๆก็อยากจะมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นอพักเป็นพวกทั้งนั้นแหละถ้าว่าเป็นคนเลวเสอย่าง ออคนนี่แหละขายยาบ้ายามา้마คนนี่เราเคยฆ่าคนเคยเนี่ยเคยคดเคยโกงมาก่อนพอได้ยินต่างคนก็ต่างกหนีออกห่างะเพราะอะไรเพราะใครใก็กลัวความชั่วกลัวมันจะแปะแปดเปื้อนพวกนั้นน่ะพวกเรารู้แล้วอันไหนดีอันไหนชั่วมาศึกษาถึงขนาดนี้ไม่รู้เหรอดีหรือชั่วะเอเราก็ต้องทําตาม ทำคำสอนที่เราได้ศึกษาปฏิบัติมานั่นแหละความสุขความเจริญก็จะเข้าสู่จิตชู่ใจของพวกเราเมื่อตายไปแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเงินคำทรัพย์สมบัติที่หามามากต่อมากแทบล้มแทบตายกลางคืนไม่ได้หยุดได้ย่อนเพื่อหาเงินมาเงินส่งถึงโรงพยาบาล เงินส่งถึงโรงพยาบาลไปถึงหมอหมอคนนะ่ะได้เงินก็นดูแลรักษาผลในสุดไปกี่ครั้งตกกี่หนผลทนสุดก็ตายเพราะถึงไม่หมดเงินมันก็ตายพูดถึงเข้าตายพอหมอสุดความสามารถรักษาดีที่สุดหมอแต่ก็ต้องหมอก็ต้องได้เงินจากคนป่วยพราะเราก็หาเงินไปกันนะเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง หรือคือดูแลสุขภาพพ่อแม่วงศาระคณะญาติใครก็ตามแต่เงินสรุปแล้วก็คือส่งถึงโรงพยาบาลญาติปีน้องเพลินฝูงพ่อแม่ลูกหลานถึงจะรักเมตตาดีขนาดไหนก็เป็นคนดีขนาดไหนก็ได้ตระกูลดีเราเกิดในตระกูลดีแต่พน้นในสุดก็ส่งถึงเมรนนะ์พอถึง่งถึงเมร์แต่ไม่มีใครที่จะกระโดดเข้าไปอยู่เมร์กับเราทนะ่าน ไปส่งถึงเมณกับวางดอกไม้จันโอ้โหสิกรรมให้เดอร์ท่านไปก่อนะกรรมใดที่เราได้กระทากับต่อกันเลอเรายินดีโอโหสิกรรมให้กับท่านท่านก็อนโอ้โหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยอวางดอกไม้จันเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างออกมาสรุปแล้วก็คือญาติปี่น้องจะติดีขนาดไหนอก็ส่งถึงเมณเท่านั้นนะอซึ่งถึงเมณจากนั้นก็เนี่ยก็เผาเลยทีเ มีแต่กระดูกดวงวิญญาณดวงนั้นจะไปไหนอั ต, ตหิอั ต, ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเดินไปตามลําพังถ้าเราทำำํากรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลที่หลวงพ่อได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นพระที่ดีบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นเพื่อนสอง เป็นเพื่อนสองในดวงวิญญาณของเราเป็นผู้นําพานําไปสูป่ประโลกภายภาคหน้าถ้าว่าเราทํากรรมชั่วสิ่งที่มันชั่วเราทำํำบาปอากุศนก็เป็นเพื่อนสองของเราอีกทนี่นำเราไปถ้าเราทําบาปหนักตกนรกหลุมลึกตกอเวจีมหานรกนี่ถ้านําทําอันตริยกรรมห้า มาตุกขาดฆ่ามารดาปิดตุขาตฆ่าปิดาอราหาันตะขาตฆ่าพระหันโลหิตตุบตัดทำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพโลหิตให้ห่อสังฆเพทยุยงสงให้แตกกันเป็นสองฝักไฟนี่แหละบาปหนักในหลักของพุทธศาสนาพวกนี้แหละลงนรกหลุมลึกเลยแหะเนเนี่ยกรรมกรรมเป็นเพื่อนสองกรรมชั่วเป็นเพื่อนสองถ้ากรรมดีเป็นเพื่อนสองเราก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรม มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีฮนะได้ให้พวกเราทุกๆท่านนะหลวงพ่อพูดให้แนวความคิดว่าเนี่ยจะเผ็ดร้อนไปแต่ถี่อย่างไงก็ให้พวกท่านทั้งหลายได้คิดถ้าไม่ได้คิดไม่ได้ของร้อนหมดต้องเผาเผาเผาให้อุ่นอุ่นใ ห, ให้ให้มันสุกให้มันหน้าเดิมให้ดูให้น่าอยู่หน้า ก, กินเพวกของอุ่นใช่ไหมเพราะนั้นหลวงพ่อจึงอุ่นให้พวกเราท่านทั้งหลายอุ่นอุ่นเครื่องฮ อย่าไปเฉยแฉจนเกินไปนะตอนนี้ไปรับพอในะตอนนี้นะฉันนีมันร้องทำไมว่าเมื่อกี้เนี่ย